สัพพธานังธรรมธานังขีณาตีสัพปรสังธรรมรสโจินาตีสัพป ร, า ร, า ต, พรติงธรรมรตีขีณาตีต่านทักขโยสัพพุขังขีณาตีตีณโอกาสบัปนี้จะได้ไดสแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องลำดับญาณเพื่อให้ท่านนักปฏิบัติหลาย ได้สดับรับฟังและกรวจรูปผลของกรรมริบาของตนสืบต่อไปท่านสาธุชนผู้ใจบุญทลายในวาระเบื้องต้นนี้ขอแสดงความยินดีต่ออาจารย์ผู้สอนภาคปฏิบัติแก่ทน า, ายด้วยเฉพาะย่างยิ่งอาจารย์สิริเป็นผู้หญิงแต่สามารถทำหน้าที่ กิตพระพุทธศาสตร์ศาสนาได้ดีถ้าจะกล่าวได้อย่างไม่กระดาษปากก็ดีกว่าพระอีกจำนวนหลายร้อยรูปทีเดียวอันนี้ก็ไปเป็นผลของการปฏิบัติแม้ในสมัยพูติเจ้าผู้หญิงเจ่นนางธรรมทินาเทรีเป็นผู้ที่มีความฉลาดสามารถในการแสดงธรรมะแม่นางขุทธุตราเป็นหญิงข่อม แต่ว่าสามารถเกิดเทศเก่งพระพุเจ้าของสนรเสริญชมชยเช่นครั้งหนึ่งเมื่อนางไปซื้อดอกไม้มาให้พนางสามอาวดีบูชาพระเคยโกงทีลาสี่กะหาปณ ะ, ะให้ไปแปดซื้อเสสี่โกงไปเส้สี่ครั้นได้ฟังเทศกับนายสุมาราการ ได้สำเร็จมรโภธลิพานซื้อมาหมดทั้งแปดหาปะนะปะนางสามัคดีสงสัยว่าไอ้ในหลวงมีความพอใจพระราชทานเงินเพิ่มอีกเลยก็พูดตรงๆบอกมันใช่หรอกเมื่อก่อนมอมฉันโกงไปครึ่งหนึ่งแต่บัดนี้ไม่โกงทำไมไม่โกงเพราะฟังเทศได้ดวงตาเห็นทมแล้วไม่โกงแล้วเอาอย่างนั้นเทศฉันฟังย ไ, ไหมนางสามีก็ฟังเทศเพร้อมกับเรวาน หาร้อยก็ได้เสวิตรหมักคลนิพพานอันนี้ผู้หญิงสามารถจะทําหน้าที่สอนได้ยิ่งกว่าพระก็าได้ถ้าตั้งใจทําและรักในงานคานนี้คนแม่สิริก็เหมือนกันตั้งใจสอนมานานแล้วลกูลกศิษย์ลูกาก็เยอะทั้งในประเทศและนอกประเทศจึงขอสุดดีขอบใจไว้นาฬกานี้นอกจากนั้นอย่าให้ผู้อื่นมาช่วยเหลืออีกเฉพาะยังยิ่งอาจารย์ทองคําศิโยธินในทางธรรมท่านก็เป็นมหา เประโยุกพบกันอัตมาบุญสถานีรถไฟตั้งแต่ตอนม า, มาสอบก็รู้จักกันมาเรื่อยมาท่านศึกไปก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นนายพันเอกเสร็จแล้วท่านก็มาเอาศาสนาอีกอางานภาคปฏิบัติเมื่อก่อนท่านเป็นภาคปริยัตเป็นมหาเกตประยุกและธ่ามาภาคปฏิบัติไปที่ไหนก็เห็นท่านช่วยเหลือกิจปรศาสนาส่วนนี้โดยตลอด เมื่อศาสนาได้คนที่มีความรู้ดีทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวทว่าเป็นเหตุให้เจริญรุ่งเรืองไวจะเห็นได้ตัวอย่าง ง, ง่ายๆเป่นคุณแม่สิริสอนครั้งแรกก็มีคนไม่ทลายเพราะครั้งที่หนึ่งเทของสามนี่ดูจะเป็นครั้งที่6กที่ทลายก็จําจไม่ได้แต่คนเพิ่มขึ้นเพิ่ ม, ม, มไม่มีลดมันจมากขึ้นเป็นทวีคูณอันนี้เป็นผลของการปฏิบัติจึงขอขอบใจของโมตนาเป็นโ อ, อกาสนี้ด้วย ตอนนี้ก็จะเรีเทสดำนับยานความมุ่งหมายของการเทศมีอยู่หกข้อหนึ่งของผู้ฟังมีหข้อหนึ่งฟังเทศเอาบุญท่านตั้งใจฟังจะรู้เรื่องไปรู้เรื่องก็ไดบ้บุญบุญแปลว่าชำระขณะนี้กายกรรมวจีกรรมท่านบริสุทธิ์บุญเกิดแล้วถ้าท่านตายด้วยจึงนี้ต่ำต้องเกิดเป็นคนสูงต้องเกิดสวรรค์เป็นเทวดาเช่นกบฟังเทศถูกฆ่าตายยังได้ไปเกิดสวรรค์ข้างขาวฟัง อภิธรรมตายก็ไปเกิดสวรรค์งูเหลือมฟังอาจนริยาตายก็ไปเกิดสวรรค์แม่ไก่ฟังพระเทศสอนกรรมฐานผูกฆ่าตายเกิดเป็นลูกสาวก็ะจะไบดินสุดท้ายเกิดพรมโลกสุดท้ายถึงสำเร็จมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นการฟังธรรมจึิงถือว่าเป็นของประเสริฐเึงขอขอบใจนี่เราฟังเพื่อเอาบุญสองฟังเพื่อเอาคงรู้ต้องจบต้องจำสามฟังพอเปนในปในัณณใยปัจจัยจําก็ได้ไม่จําก็ได้ ห่วงนอนไปบ้างก็ไม่เป็นไรข้อที่สี่ฟังเพื่อปฏิบัติเช่นนักปฏิบัติเคยปฏิบัติแล้วเวลาพระท่านเทศเราจะโอนถ้าได้สูงสูงเรากําหนดที่หูเวลาพระเทศเรากำหนดได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะที่หูกิเลสขาดไปทีละเอีชาติจิตชาติถ้าฟังเฉยเฉยไม่ขาดเป็นบุญขั้นกรรมวมจอดแต่ถ้าเราปฏิบัติมันเป็นบุญมุ่งไปโลภุตระเป็นบุญขั้นสูงเพราะกิเลสมันขาดด้วย ข้อที่ห้าฟังเพื่ออุทิศส่วนบุญเช่นฟังเทศในงานศพเป็นต้นข้อที่หกฟังเพื่อเช็คผลการปฏิบัติขณะ น, นี้ฟังเพื่อเช็คผลการปฏิบัติาการปฏิบัตินี้เทศนานพอเอามือลงได้นั่งปฏิบัติตามธรรมดามันเหนื่อยนะตั้งใจฟังกันอืมอาท่านผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาจะได้เทศลําดับญาณเพื่อประหยัดเวลาคําว่าลําดับญาณเอาใจความเลยญาณ ญานตัวนี้แปลว่าปัญญาปัญญานะ่ะมีสามหนึ่งสุดธรรมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟัง<ม>เกิดจากการเรียน<ม>เกิดจากการอ่านเช่นอย่างอาจารย์ต้องคำแม่ท่านก็เรียนเป็นมหาเจดประโยคอัตมาก็เป็นมหาเก้าประโยคนอั น, นี้เรียกว่าปริยัตนี่เป็นปัญญาอันหนึ่งเขาเรียกสุดธรมยปัญญาสองจินตามันปัญญาคิด ในทางโลกเช่นคิดทำอย่างนี้นี่ทํานาฬิกานี่เป็นจินตามัยปัญญาทําเครื่องใหญ่ใหญ่เสียงทำมอพลโลกนี่เป็นจินตามัปัญญาทางโลกทําจำโบ้ขึ้นบินให ญ, ญ่ไงเหาะไปบนอากาศได้เสร็จแล้วก็ถ้าเป็นปัญญาทางทำคิดเช่นเอ๊ร่างกายเขาเหล่านี้ไม่เป็นอันนี้จังทุกขังตาเนาะมือนี่มันก็นเต็มโพลิเซนเอ็นพะลุงพลังมันเป็นก็ อ, อันนี้จังโผล่ตา ไปเลียวหัวมกวัก็งอกไปเลี้ยวจ่าหนังก็ย่นเน่อเหี่ยวมาแล้วอืมคิดอย่างนี้ก็เป็นวิปัสสนกคือคือเป็นกินตามัจปัญญายังไม่เข้าขั้นพอนาอันนี้ก็เป็นปัญญาทีนี้ปัญญาขั้นที่สามนี่ เ, เรียกภาวนามัปัญญาภาวนามัจจะปัญญาเนี่เบ็ดเสร็จหมดทั้งหมดมันมีสิบหกขั้นแล้ว น, นี่ปัญญาละกิเลสปัญญาสองขั้นเป็นปัญญาหาข้าวกินหาเงินฮักของหาเข้าฮัาของ เพื่มอมาบำ บ, บัดทุกประวงสุขของตัวเองครอบครัวประเทศชาติศาสนาเป็นเหมือนดาบสองคมใช้เป็นก็ให้คณใช้ผิดก็ให้โทษจนระเบิดเป็นมนุษลูกเดียวทึ่งเกาะญี่ปุ่นตายไปตั้งหกหมืน่นอ่ะอย่างนี้เขากินตามาปัญญาเปิรนแล้วนี่มึนกันไปยิงกันฆ่ากันมันก็ตายแต่ปัญญาของพระเจ้านี่เป็นปัญญาเอากิเลสออกมิแต่เพิ่มพมสุขให้คนออย่งางวันนี้จะได้เทศยาน16เพื่อประหยัดเวลานะ ญาณคือปัญญาเกิดขึ้นจากการปฏิบัติมีสิบหกข้อข้อที่หนึ่งนามโรปะปริเฉทญาณ น, นี่เป็นขั้นที่หนึ่งนะทีนี้ก่อนอื่นก็ท่านทั้งหลายโปรดทราบเสียก่อนหนทางเดินของเรามีเกเส้นเส้นที่หนึ่งแต่อันนี้ไม่ต้องเอานะหนึ่งทางสายนี้ไปนรกนรกสี่ร้อยห้าสิบเกขุมอยู่ใต้แผ่นดินแผ่นดินหนาสองแสนสี่หมืยด จากนี้ไปสิบห้าโยต์จึงจะถึงนรกขมที่หนึ่งเพราะฉะนั้นทางสายที่หนึ่งไปนรกเราคนแล้วไปเพราะโทสัาเรานี่มีบุญมากหากหากบุญไม่มีตกนรกนี่เรามีบุญเกิดเป็นมนุษย์เส้นที่สองไปเปรตและอสุ ร, รกายแล้วเรียกถีหลอกอถ้าใครไม่เห็นก็ น, นึกว่าไม่มีแต่โยมพ่อเขาอาตมาตายโยมนี้ห่วงลูกห่วงเมียมีลูกสิบคนอาตมา พึ่งเรียนบทถมสี่โยมจะส่งให้ไปเรียนปริยาเอกนนแต่โยมมาตายซะอัตมาก็ไม่ได้เรียนก็เลยบวชอันนี้โยมตายไปเกิดเป็นเปรตตกกลางคืนทิ้งของจากพดานตึงจังจึงจังโอ้เหมือนกับมีคนยิงกิงอะนั่นอ่ะเขาเรียกว่าเปรตเปรตเขาเรียกผีหลอกวันนอกอ่ะอันนี้ตายด้วยคมห่วงแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตโยมแม่ผรทำสังฆทานให้ในอโมุทนาก็ไปเกิดบานโศกแสงก็หาเยียบไปจนบัดนี้ อันนี้เราพ้นแล้วนะไม่ไปแล้วเส้นที่สามไปเป็นสัตว์ดริฐานโมหะหลงอาจารย์ทอกคำทราบในธรรมบรรทพระติสละหลงจีวรพี่สาวถวายจีวรใหม่นึกไปจะพรมไปหวานพวกนี้ประเอนมันมรณภาพเสียใจไปห่วงจีวรเลยเกิดเป็นเลนอายุเก็ดวันนายกูตุคาริกะหลงว่าหมาดียคนตายไปเกิดเป็นหมาไออันนี้โมหะ สายที่สาเป็นสัตว์ชานผูโมหะทคหลงสายที่สี่มนมนุษย์ที่เราอยู่สายนี้มนุษย์เขียนตัวมอกนหนูสารูศบยยักษ์ที่เป็นสันสกฤตมันนะเป็วิจัยอุศยะเป็นวิสูงบาลียกว่ามนุษย์โสบาลีมโนอันวินจัยอัศของคนนั้นอุศโยสูงเพราะนั้นคนนั้นชื่ว่ามนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูงอะไรเป็นเครื่องวัดศีลห้านี่คือเครื่องวัดของกรพ๊กเราเราอยู่สายนี้สายสี่ นี่สายห้านี่ไปสวรรค์มหาโกศล8ปดกำลังฟังอยู่เดียวเนี้ยเนี่ยฟังเทศอยู่นี้เรียกว่ามหากุศสายนี้ไปสวรรค์นะถัดตายด้วยจิดดวงเนี้ยอ่าเขาเรียกมหาโกศลทั้งหมดมีแปดทีนี้สายที่หนี่อ่าไปพรมโลกสายนี้หกนี่ไปพรมโลกเจริญสมถะแต่ต้องได้ฌานนะพระทุกองค์เดินทุกองค์เวลาจะบวชจะต้องขึ้นกขมาฐานก่อนเจซาโรมานาคาหันตาตโจ นี่เยกวาสมาธิปราบกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ห้าสายนี้ต้องเดิชานไปพมโลกแต่กิเลสไม่ขาดนะไปได้พมโลกเหาะก็ได้เป็นพระเทวทัตของเหิรนอนอากาศได้ได้อิทิลิศแปลงตัวเป็นเด็กน้อยก็ได้แต่ว่ากิเลสไม่ขาดเพราะอะไรเพราะผมไวเหมือนหินทับยะมีหนึ่งถึงหกในมีก่อนพระพุทธเจ้าเกิดพระพุทธเจ้าไม่เกิดก็มีแล้วอาจารย์พระพุทธเจ้าก็มีแล้ว 阿拉นาบทปุตตะนาบทหาเลตนาบทเป็นต้นได้เล่นมาแล้วทหนึ่งถึงหพุทธศาสนาก็มีนอกศสาสนาก็มีทีนี้สายที่เกต์นี่มีเฉพาะพุทธศาสนานี่เรียกว่าทางไปนิพพานนิพพานไปวัดดับกิเลสกิเลสที่จะดับมีสิบสองตัวนี่โลภะคือความโลกมีแปดโทสะคือขมโกรธมีสองโมหะโคลนโอมีสองนิพพานดับกิเลสสิบสองตัวนี้ ถึงนิพพานสี่ขั้งหนึ่งสองสามสี่ถึงขั้งที่หนึ่งกระดับไปได้ห้าตัวโลภะสีโมหะหนึ่งถึงขั้งที่สองเ็ดตัวดับไม่ได้ตรนุกระทําให้เบานิดหน่อยแต่ไม่มีพิษไม่สงแล้วปิดประตูไว้แล้วถึงขั้นที่สามโภสะสองตายโลภะสียังอยู่โมหะยังอยู่ถึงขั้งที่สี่มันก็หมดเกลี้ยงไม่มีเหลือนี่นิพพานประดับกิริตไม่ใช่บ้านไม่ใช่เมือง เอาละเมื่อรู้อย่างนี้เราเดินสายนี้สายที่เกตเนี่เมื่อเดินสายที่เกตมันจะมีปัญญาเกิดขึ้นสิบหกขั้นทนนีนี่นี่ทิจะละกิเลขั้นที่หนึ่งนามะรูปะปริเฉทธญาณ น, นามะแปรตใจรูปะแปรตกายปริเทธถ้าแยกญาณปัญญามีปัญญาแยกกายกับใจออกกับกันได้เอาทีนี้ท่านพองกับยบเป็นอันเดียวแล้วขราลยโอมตอ คนละอันใจที่กําหนดครองข่ายใจกันยบใจเดียวแล้วคนละใจคนละใจนี่เขาเรียกว่ารูปท้องของเป็นรูปใจที่รูปเป็นนามผู้ปฏิบัติจะรู้แค่ว่าคนละอันเท่านี้แหละที่จะรู้ว่าอันนั้นเป็นรูปอันนั้นเป็นนามอาจารย์ต้องบอกหรือผู้ที่เรียนในว้พี่ทำนักปฏิบัติจริงๆไม่เอามากเอาเฉพาะว่าอันเดียวแล้วคนละอันตอบเท่านี้ถูกหมดแล้วพอแล้วใช้ได้แล้ว นะถ้าจะแยกอละเอียดอันไหนสั้นอันไหนยาวอันนั้นเป็นพละความแต่ข้อที่จริงต้องกานเท่านี้พองกับยุบอันเดียวล้วคนนั้นคนละอันตอบถูกแล้วใจที่ขอพองกับยุบใจเดียวแล้กคนใจคนใจถูกหมดแล้วทีนี้จะจะตอไปอีกอา้าวโยมเห็นกันนานไหมเห็นไหมใครเห็นใจเห็นเออผ้ากับตาของโยมอันเดียวกันล้วคนละอันคนละอันนี่แยกแล้วตากับสีนี่เป็นรูป ผู้ที่เห็นเป็นนามมีแต่รูป ก, กับนามเอา้าได้ยินเสียงได้ยินไห ม, ไมเสียงกับหูอันเดียวลูปคนละอนนานเออคนละอานแล้วนี่แยกรูปได้ยินน่ะเสียงได้ยินครั้งที่หนึ่ ง, ง, งสองเป็นอันเดียวรูปคุละอานเออนี่แยกนามแล้วมีแต่รูป ก, กับนามเวลาเข้าสวมเหม็นกลิ่นเหม็นกับยมวงอันเดียวรูปคนละอานใครเป็นคนรู้ว่าเหม็นใจ ทานอาหารอร่อยแซบวิลีเออลิ้นกับรถอันเดียวลูกคนละอันใครเป็นคนรู้ว่าอร่อยใหญ่อันเดียวลูกคนละอันคนละอันแล้วนะนั่งอยู่ตรงนี้คนหยอดลมถูกพรมไห ม, ไมเย็นแล้วนอนอ่อนหรือแข็งก้นกว่พรมอันเดียวลูกคนละอานผู้ที่รู้ว่าเย็นใครรู้ ใจรู้เออโยมนั่งอยู่นีคิดถึงบ้านใครคิดตรงไหนเป็นโลกบ้านได้หาคะแนนขาดไปห้าตรงไหนเป็นโลคบ้านถูกต้องแต่ในตัวโยมเอาตรงไหนเป็นโลกใจเป็นน้ำเอาตรงไหนเป็นโรคศูนเอาตรงไหนเป็นโรค ยกธงขาวอย่างยอมแพ้ย่างอย่างตอบเอาตรงไหนเป็นรูปนึกถึงบ้านบ้านเป็นรูปถูกต้องแต่ในตัวโยมเอาตรงไหนเป็นรูปศูนย์สติเป็นนา้าใจเป็นนา้ากายมันก็ตัวโตวมาแล้วเอาตรงไห น, น ไม่ยอมแพ้เท่ตตอไม่ได้ยอมไม่ยังล่ะอยังเอาตอบตอบแล้วกันอะไรไปลายมันถูกจนได้แหล ะ, ส, ญญ ะ, ะ ส, าาสัญญากว่านา้ำะสังขารกว่านา้ำสัญญากว่าน้ำวิญญาณกว่าน้ำน้ำจิตใจกว่านา้ำปากปากปากคิดไม่ได้ คนตายไม่มีปากกินไม่ได้แล้วอา้าวตรงไหนเนาะสมองก็ศูนเอออัธยวทุกนั่นน้อยเปอร์เซ็ถูกต้อง เ, อเห็นไหมไรเป็นมาถูกเอาหัวใจไม่ใช่ใจนะใจก็หัวใจกนลยอย่างนะเออหัวใจมันถึงเนื้อหัวใจโตเท่ากำปั้นเพราะพวกคนผู้เป็นเจ้าของใช่ไหมเออหนหัวใจหนึ่งหัวใจสองบ้านนี่ นี่เขาเรียกธรมรมรมคืนกับใจแล้วนั่นเป็นรูปเอาละเข้าใจแล้วทีนี้ตลวงพอจะถามซ้าอีกนั่งอยู่นี้ตรงไหนเป็นรูปตรงไหนเป็นรูปกายเอาตรงไหนเนี่ยยังเถียงกันอยู่อ่านั่งอยู่นี้ตรงฟังฟังให้ดีฟังดีท้องพ อ, องเป็นรูปใจที่รูปเป็นนามตัดท้องโยมทิ้งแล้วนะ ตากับสีเป็นโรคเห็ น, นามาน้ำตัดตาทิ้งแล้วนะหูกับเสียงเป็นโูคได้อยินนามตัดหูโยมทิ้งแล้วนะจมกูกกับกลิ่นเป็นโูคลูกลินลกลกกล่นเป็นนามตัดจมูกทิ้งนะลิ้นกับรถเป็นรคลูรถเป็นนามตัดลิ้นทิ้งแล้วนะกายทั้งหมดตั้งแตผมทั้งได้เป็นโูคเสื้อผ้ากระโปรงสิ่งที่สวมใส่อยู่เป็นโรคแต่เวลาถูกแล้วรู้สึกเกลียดนอนอันแข็งเป็นนามเพราะฉะนั้นบอกหมดแล้วปัญหารั่วหมดแล้วเหมือนข้อสอบรั่วเออนั่งอยู่นี้ตรงไหนเป็นโรค น่นเอาก้นปากไม่เป็นหรอแล้วมาเอาแต่ก้นล่ะเอาถ้าปากเป็นหูเป็นไห้หูก็เป็นคางเป็นไหมเป็นแขนเป็นไม่เป็นมือเป็นเป็นขาเป็นไม่เป็นแล้วเอาตรงไหนทีเนี่ยเออเอากายกายเอาตรงไหนนะ่นแล้วเท่ก้นเอานี่นี่ดูดูเนี่ยพายเจนหน้าี่เห็นไหมเนี่ยเอาตรงไหนเป็นพาชเจนหน้าเออทั้งหมด เอาตรงไหนเป็นรูปาอากายเอาตรงไหนหมดทั้งตัวตั้งแต่หัวถึงเล็บเป็นรูปไปเอาแต่ข้นแห่งเดียวก็ไม่ได้ <c oughs> เอาทั้งที่ผมถึงเล็บเป็นรูปตรงไหนเป็นนามาใจถูกต้องนี่นี่ยานที่หนึ่งนี่ต้องการอนะันนี้นี่นแหละตัวละสักการะทิฏฐิมึงแรกลงเห็นหว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามันออกยากไม่ใช่ง่าย พอหลวงพ่อจะรู้อันนี้สิบเ็ดวันโอ้ไม่รู้เรื่องเลยกล้าประโยคแล้วอาจารย์ถามคนมาหาเห็นรูปเห็นนามไหมมันเป็นตัวอย่างไรเราก็สงสัยถ้าจะตอบไม่รู้เหรอก็กล้าประโยคถ้าจะตอบว่ารู้หรือเราก็ไม่รู้ <laughs> <laughs> มันจะว่าอย่างไรเนี่ยอดไม่ไหวอเลย ถามเลยทนายจา ร, ยรูปนามเป็นยังไงอา้าวคุณมาหาเวลาเดินขวาย่างหนอมันจะหายแว บ, บที่สนทาว่าดีใจแล้วเราค่อยจับฤษีวันเนี้ยเดินทั้งวันก็จะเชี่ยงถึงหกโมงเย็นไม่เห็นรูปเห็นนามมันออกมาตักนิดหนึ่งคือหลวงพ่อคอยจะมันจะมีตัวมันจิ้งจกเนี่ยเหมือนตุ๊กแกเนี่ยหรือมันมแมลงสาบมันจะหายแว บ, บออกมาอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นจริงๆแต่ที่แท้เปล่ามันไม่ใช่ ขาย่างนอขาที่ก้ามันก็เป็นรูปใจที่รู้เป็นนามแต่ขาเป็นรูปเป็นนามแต่เขาเอ๊ะเขาของเราเนี่ยเอาเราเข้าไปมันขาดไม่หมดอ่ะพอเห็นเข่ามันก็เป็นรูปรู้เป็นนามอ้าวหมดแล้วไปโยกโคนขามันจะเป็นเอ๊ะโคนขาของเราอีกแล้วเอาเราเข้าไปใส่ พอรู้ว่าจริงๆมัน โ, โลงหมดเลยโอ้ยหมดทางล่างถึงผมถึงเล็บจะคู่จะเหยียดจะก้มจะมีมีจะรูปต่นามทั้งนั้นไม่มีสัตว์ปุกลตัวตนเราเขาพอไปดูพระไตรวิโกพับตรงเพ็บทุกอย่างเลยเออเรานี่เส้นผมวังภูเขามันวังจริงๆนะอืมเอาละข้อนีมือมีกข้ อ, อยมไม่ต้องนับตอบเลยอีข้ออย่านับนะ ตอบไม่ได้แล้วฮอ้าวไม่ต้องนับหรอกคือคือถ้าเราไม่สนใจไม่รู้ไม่ใช่เฉพ่อโยมหรอกหลวงพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันต้องนับถ้าไม่นับไม่รู้หลวงพ่อไปขนแก่นโยมคนหนึ่งเก้าสิบห้าอายุโยมมายุธไล่เก้าสิบห้าปีชาวขาโยมข้อในมือมีกี่ข้อบอกหูคือไม่รู้มีกี่ข้อะเนี่ทําไมสังเกตไม่รู้หนักแปลกนะเดีนี้หลวงพ่อถามโยมคืริส ไปพี่ปรายที่ธรรมาศาสตร์นักศึกษาสี่พันโยมโคกฤตมองหลวงบุนเหลือคุณควงอภัยวงศ์แล้วก็เจ้าคุณเทพสมพลหลวงพ่ออ้อาให้คนอื่นว่า ก, ก่อนหลวงพ่อเขาจะตอบทีหลังคึกฤตตั้งปัญหาว่าเราจะพัฒนาคนให้มีศีลห้าดีเละหรือจะพัฒนาคนในหาปัจจัยซีหรือจะพัฒนาคนให้มา น, นั่งรับตาตั้งปัญหาขึ้นสามข้อนอกนะเขาตอบคนไปหลวงพ่อตอบทีหลังโยม อาตมาว่าคนทุกคนนักศึกษาสี่พันเนี่ยถ้าทุกคนคิดแก้ตัวเองดีหมดทั้งสี่พันแต่ถ้าทุกคนคิดแก้คนอื่นเรวหมดทั้งสี่พันเพราะฉะ้เราต้องแก้ตัวเองก่อนเอาคนโยมก่อนจะแก้ตัวเองเนี่ยเราโดยมากชี้ไปนคนอื่นเธอผิดนะมันไปนี้อยู่เดียวแต่เขาเรามันสี่นิ้วน ะ, ะเพราะฉะนั้นถามโยมโยมจ้ก่อนข้อนี้มือโยมมีกี่ข้อโยมคือ้นริดนะหนึ่งสองสามสมห้าสิบห้าคนป๊บเลยอันนี้มันสองอมันไม่ใช่สิบห้าเออเห็นไหม เมื่อวันซื่อนี้ไปเฉิมเสาโยมคนหนึ่งแปดสิบเจ็ดปีมานั่งคุยอยู่พอถามโยมข้อนมือมีเออมือไหนกินข้าวโยมเออมือนี้เออมือไหนเช็ดก้นเช็ดตูดบอกว่าไปแล้วข้อนิ้มือมีเข้าโยมไม่รู้ฮเห็นไหมแปดสิบเจ็ดปียังไม่รู้นะ่ะถ้าไมสังเกตอันนี้เหมือนกันท้องของโยมเหมือนกันเอาจบไปแล้วนั่งอยู่นี่ใครนั่งรงูปนั่งใครรูปนามรู้ถ้ารูปแล้วก็นาม ผั ก, กายแล้วก็ใจถูกเหมือนกันนั่งอยู่ในคันนั่งรูปนั่งใครรู้ใจรู้ก็ถูกแต่ถูกจริงๆนั่งอยู่ในคันนั่งรูปนั่งใครรู้น้ํารู้นั่นแหละถูกแท้อันที่ว่ามีเกี่พอฟังได้ไม่ตกถ้าคะแนนก็ยังได้สิบอยู่แต่ว่าถ้าจะกินเสี่ยวให้กินไม่เสี่ยวหนึ่งยังไม่ดีนะักมันไม่ตรงจุดอ้าโพดนี่ใครโพดใครรู้รรหวัวเราะใครหวรัวเราะ ยังมีนามคารคอนอีกหัวเราะใครหัวเราะรูใครรูไปอื้อใครอือใครรูไปชีใช้ใครชี้ใครรูเดินกลับบ้านใครเดินใครรูเข้าใจอ ย, อยังรูปนามนี่ยานที่หนึ่งรูอย่างนี้เห็นนี้แต่จะเข้าใจผิดนะ ให้มีพรมไปแฟนมันกลับไปถึงบ้านแฟนถามน้องมาแล้วหรือเฮ้ยไม่ใช่น้องอย่าไปพูดอย่างนั้นนะเออาชายน้องมาแล้วพี่แต่ในใจรู้ว่าถึงจะเป็นพี่ก็คือรูปกระนำถึงจะเป็นน้องก็คือรูปกำน้ำรู้เฉพาะตัวปัจจัตังเวทิตตโพวินยูหีอ่วินยูหีอันโพรู้ทั้งหลายเวทิตตโพโพรูปัจจตังโดยเฉพาะไม่ใช่เอาไปโฆษนาให้คนอื่นทราบ ถึงเขาจะเรียกนั่นมันจริงสองอย่างจริงโดยสมมุติชื่อสมมุติสัพจ์จริงโดยสมมติเขาตั้งชื่อเราเนี่ยชื่อจริงโดยสมมุติแต่มันเปลี่ยนได้คือมันจริงหลอกหลอกเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้แต่ขณะนี้เขาตั้งชื่อเป็นอย่างนี้จริงเพราะเราต้องรู้ข้อเท็จจริงส่วนปรมาภิษฐศัพจ์จริงโดยปรมัติษฐ์นี่เราเรียนจริงโดยปรมัติษฐ์จบไปแล้วยานที่หนึ่งยานที่สอง ปั จ, จยะปริคายานเมื่อมีรูปกับนามก็มีเหตุและผลของกันและกันปัจจยะปริคายานกำหนดรู้เหตุและผลของรูปและนามเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วมันจะต้องสองอันเป็นเหตุและผลบางครั้งรูปเป็นเหตุนามเป็นผลเช่นโยมภาวนาพองเนอะท้องมนันนูนไปซะก่อนนี้รูปเกิดก่อนเป็นเหตุ ใจโยมตามไปทีหลังนี่นามเป็นผลแล้วบางครั้งใจมาคอยจ้องจะกําหนดมันจะนูนหรือยัง้งอย่างนี้ใจมาก่อนอย่างนี้นามเป็นเหตุรูปเป็นผลเพราะเกิดทีหลังโยมนั่งอยู่นี้อยากจะลุกไปเข้าห้องน้ําม่ใครอยากลุกใจใครเป็นคนลุกกายใครเกิดก่อนใจเกิดก่อนใครเกิดทีหลังรูปเกิดทีหลังใครเป็นเหตุใจเป็นเหตุใครเป็นผลรูปเป็นผลอันอยู่ตัวที่ตรงนี้ไม่ใช่ไปเอาที่อื่น เอากายกับใจของท่านนี่แหละต่างมันก็เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันโยมนั่งไปโยมร้อนอยากเปิดพระลมใครอยากเปิดใจใครเป็นน้ำเปิดรูปใครเกิดก่อนใจเกิดก่อนใครเกิดที่หลังรูเปเกิดที่หลังแนะ่มันจะวนกันอยู่อย่างนี้นี่ยานที่สองไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายแล้วบางทีกําหนดพองยุบมันหายพองน้อยมันหายเงียบนไปไหนเอามือคําดูก็มีแนะนี่คือหาเหตุและผลบางทีมั้ ดูที่จะบูกเอ๊ะมันมีลมหรือเปล่าอย่างนี้ก็ใช่อยู่ในลักษณะของงานที่สองถ้าถึงยันนี้ท่านเรียกว่าจุลโสดาบันในวิสุทธิมรรคหลักสูตรประโยค8ประโยกเก้าน้าสองยยี้าท่านกล่าวว่าอิเมนาปัญาเลนะสมนาคต ว, วิปั ส, สโกขุตธสธาสนีรัทัสาโสรัทธปฏิโทนิยคติโกจุลโสตามโพนานามโหติจิงโยผู้ปฏิบัติวิปัสนา ถึงยานที่สองนี้พุทธศาสนาลัทธิศาสนาได้ความเบาอกเบาใจในพระพุทธศาสนาพุทธศาสนาลทัทธปฏิโทได้ที่พึ่งที่รึกในพระพุทธศาสนานิยคติโกมีคติอันเที่ยงตายไม่ตกนรกทารักษาไว้ได้จุลโสตาปนุนามะชื่อว่าเป็นจุลโสดาบันจุลแปลว่าน้อยโสตากระแสอาปณะเข้าถึงกระแสพันิพาณ น, น้อยๆอ ย, น, อยนี่ยานที่สองอยานตรงนี้เรียกว่าจุลโสดาบัน ถ้ารักษาได้ไม่ตกนรกนียาคิโตเที่ยงคำว่าเที่ยงนี่ต้องเป็นโสดาตามปกติแต่ในที่นี้อนุโลมเพราะว่าถึงยานนี้ก็เก่งอยู่ขอให้รักษาให้ได้สมัยพระเจ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งปฏิบัติถึงแค่นี้มันก็เลยหยุดปฏิบัติซะไม่ได้มาต่อกันนางตายก็ได้ไปเกิดสวรรค์ได้นี่ปัจจัยปริยานจบไปแล้วญานที่สามสัมมสนญาญ า, น, า น, นี้พิสดารสมมสนเปรพิจารณา ขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังตตาโดยจินตายานคือคิดเป็นส่วนมากมีสี่ในหนึ่งกาลาปะสมมสนัยพิกลาบกาลาบไปว่าฟ่อนฟ่อนข้าวเขาเกี่ยวข้าวเขาเอารวงข้าวแล้วอย่างมันรวมเงินเข้าวเลยมัดเป็นฟ่อนเขาเรียกกาลาบนั่นไงทีนี้เรานึกถึงร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยบางครั้งนึกถึงว่าอีร่างกายของเรามันเป็นอนิจจังทุกขังตาน้อจริงโกกไม่ผิดเลย บางทีนึกถึงคนอื่นเห็นเขาตายก็ น, นึกถึงตัวเองเราก็คงจะเหมือนกันนี่แหละเห็นเขาเก็บก็ น, นึกว่าเราคงเจ็บคงป่วยเป็นอนิจจังทุกขังนาตาคิดอย่างนี้ก็ใช่อยู่ในยานที่สามอย่างอ่อนอยังไม่แก่แล้วบางครั้งนึกถึงการไกลๆเขาเรียกอัตฐานะสัมมัสนัยเอเมื่อก่อนเราเป็นเด็กไปเลี้ยงถ้าอยู่บวันนอกไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย ไปฝนตกไปอาบน้ําแก้ผ้าใจสินยอกกันเล่นกันตามทุ่งไร่ทุ่งน้าถ้าอยู่ในวังในกรุงกองอีกคนละแบบแต่ว่าเราก็เราเป็นเด็กยังไม่เลี้ยงสาไอ้แล้วความเป็นเด็กไขไปเน้ยหมดมาเป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อคนแม่คนเป็นหนุ่มเป็นสาวไอ้รูปเล็กเล็กแรงเข้าก่อนตายไปหมดแล้วนี่คืออนิจจังทุกขังตานี่เขาเรียกอัตานาสมมาสนาในาก็อยู่ในยานที่สามอย่างอ่อนข้อที่สามสันตติสมมาสนาในาเอ๊ เมื่อก่อนนะวันๆเซนี่อากาศร้อนจังเลยพอฝนตกแล้ยินงแน่ร้อนหายไปเย็นเกิดขึ้นเย็นหายไปร้อนเกิดขึ้นมันเปลี่ยนกันอยู่ทุกชั่วโมงอย่างนี้ก็ใช่ก็อยู่ในยานนี้ยานที่สามทีนี้ข้อที่สี่คณะส ม, มสนัยพองหนอเป็นอนิจจังทุกขตามันสิ้นไปแล้วนี่ขันห้าพองหนอนี่ขันห้าเกิดหนึ่งท้องพองเป็นรูปปัจขันสองเรารู้สึกสบายเป็นเวดังขันสามจําได้สัญญาขันสี่ แต่ใค้เห็นว่าพองมากพองน้อยสังขารห้าพู้ที่ร่วมมันพองมิญญาณครบห้าพอดีเลยพองหนอดับแล้วไม่มีเหลือนี่อา น, นิจจังสิ้นไปหมดแล้วพองหนอทุกขังทนอยู่ไม่ได้พองหนอบังคับไม่ได้มันเกิดมันดับอยู่วันอย่างค่ํานี่หนอะอานิจจังทุกขังตาอย่างนี้ก็ใช่อยู่ในญันที่สามเออเรียกว่าเห็นวิปัสสนาแต่ยังไม่ใช่เข้าภาวนามยปัญญาอยู่ในกินตามยปัญญาถูกอยู่ ตอนการเห็นพตะลักษณ์เห็นสี่ชั้นเห็นชั้นที่หนึ่งโยมทําวัดเช้าๆท่องตำารารูปปังอนิจจังโว้ยรูปไม่เที่ยงเวทนานิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาณิจจาสัญญาไม่เที่ยงสรา้สางข้ารันคาสร้างขันทังหลายไม่เที่ยงถ้าเราท่องอย่งนี้คะแนนเต็มน้อยได้สามคะแนนดีเป็นโบนนะแต่บางทีหลวงพ่อมันดึกๆก่วงนอน รูปฟังในจังสมองหุบรูปังในตามันยังต่อได้อยู่เพราะอะไรเพราะจําพ้องปากเห็นอย่างนี้คะแนนเต็มร้อยได้สามคะแนนเห็นอย่างเมื่อกี้นี้นี่ยานนี้ได้สิบห้าคะแนนที่ได้เห็นห้าสิบคะแนนยานที่สี่อันนี้ดับจริงๆเช่นทันกําหนดนั่งน้อนั่งน้อนั่งน้อมันขาดงบหมดทั้งตัวเลยพองน้อยอยู่เนอะก็ขาดงบหมดกระดิกน้อก็นเวลามันดับไม่ใช่ดับตรงนี้มันหมดทั้งนั่ง เห็นอันหนึ่งก็เห็นหมดนี่อั น, นิญานที่4เนี่ยานเนี่ยอุทธยพยายนเห็นรูปนามเกิดดับนี่เป็นภาวนาเข้าตรงนี้แต่ขณะนี้ยานนี้มันเลยเลยไปหน่อยเพราะมันไอกรอนมันติดกันทีนี้ยานที่สามเนี่ยพึงได้สี่อย่างหนึ่งกะลาบรูปกะลาสองอัานะการไกลสสันตติความสืบต่อสขคณะทุกขณะลมหายใจเข้าออกรวนเป็นอนิจจังถูกขังกา ยานนี้เป็นกินตามยปัญญาอยู่ในเขตสมถะยังไม่ใช่วิปัสนากิเลสก็เบาไปนิดหน่อยแต่ยังไม่ขาดเด็ดจบไปแล้วนะบางอาจารย์พอเกิดขึ้นแล้วก็นึกว่าเป็นถึงถึงมรคนิพพานแล้วก็มีประเดี๋ยวคอยฟังต่อไปเมื่อถึงตรงนี้มันจะเกิดปุปาเกเรขึ้นสิบข้อหนึ่งโอภาสแปลว่าแสงสวา่าง นั่งไปบางทีถ้าสมาธิดีมันสว่างแก้วเหมือนกับหลอดไฟนี่อ่อนบางทีเหมือนตารถอยเข้ามาบางคนทีเราพังอ่ะไปเลยเนึกมันจะมาชนเราอ่าบางทีก็เหมือนหิงห้อยยิบยๆบยิบยิบยิทีนี้อาจารย์บางองค์มาถึงตรงนี้นะเพ่งนอนเข้านัอนเข้ามันใสใสแล้วจะไปดูนรกสวรรค์เขาต้องดูตรงนี้ได้ พอมันใส่เข้าใส่เข้าคันึกถึงนรกมันจะเป็นรูปนรกขึ้นมาเลยไหมเป็นบันไดลงไปไปเห็นสัตว์นรกตกปั๊มแปมแปมแปมอยู่โน่นอย่างนี้มันจิตมันสร้างขึ้นเขาเรียกว่าวิปัสสนึกกินตามายปัญญาโทกแต่มันผิดมันถูกน้อยไปมันยังไม่เต็มที่บางทีอยากจะไปสวรรค์พอบางทีเป็นม้ามาบางทีเป็นต้นไม้มาขี่ม้าอธิษฐานจิตไปสวรรค์บางทีมันก็เหมือนก็ไปสวรรค์แต่มันไม่ไปนะจิตมันสร้างขึ้นมา มี่เขาเรียกว่าวิปัสนึกขึ้นนึกขึ้นมาในยานนี้นี่โอภาษ์ไปวรัศมีที่นี่มาเพ่งนานเข้ามันจะใ ส, เ ข, าสาเข้าใสเข้าไข่ไข่ไม่เกิดไม่ดับอาจารย์บางองค์นึกว่าถึงนิพพานแล้วอาจารย์บางองค์เรียกว่าปฐมมามัถึงตรงนี้ลูกศิษย์ขอ ง, องพ่อไปทํามาไปฝึกมาจากอาจารย์มั่นอาจารย์ปั้นชาววิบูลรัตนาภรณ์จังหวัดอุบลเป็นเจ้าคณะอำเภอวารินชำราบไปฝึกมาจากอาจารย์มั่นยี่สิบพรรษา อาจารย์มันก็จะให้ยัดเป็นธรรมยุทธ์ก็ไม่เอาสิสุดมาหาหลวงพ่อตอนนั้นหลวงพ่อเป็นเจ้าคณภาพอาก็มาปฏิบัติถามว่าพระครูไปยังไงวัางไปอยู่กับหลวงพ่อยี 20, ส่สิบพรรษาได้อะไรบ้างได้ปฐมมรรคปฐมมรรคไปยังไงแล้วก็ไล่วิเวลาปฐมมรรคเกิดมรรคสมังคีเข้าพร้อมกันตรงไหนเป็นยังไงไรตอบไม่ถูกเลยเนี่ยโอ้ยพระครูเข้าใจผิดนี่เป็นวิชาทิฏฐินะ ทำไมเจ้าคุณอาจารย์ว่าผมแรงหลังเออต้นไม้ใหญ่ผมอมิติโต้ฟันไม่ล้มผมต้องขวนขวานท่านก็ทํำท่าไม่ค่อยพอยใจบ้างแรกเอ๋อปฏิบัติพอปฏิบัตินี่เราบอกหมมันต่างกันอย่างนี้ครับเมื่อก่อนค้ายๆตาผมมันใจแหกไม่แหกเลยครนเดียวนี่พนตกหลงพบมันต่างแหกมันเข้าใจดีอย่างนี้ครับอนี้นี่เขาเรียกว่าอาจารย์บางองไปถึงตรงนี้โอภาสเกิดขึ้นเรียกว่าเป็นปฐมมมรคอาจารย์บางองเรียกว่ามโนวิจิตร อาจารย์บางองค์เรียกว่าธรรมกายถึงตรงเนี้เช่นหลวงพ่อวัดปักน้ำเนี่ยท่านปฏิบัติธรรมกายภาวนาอย่างไรคืออาอตมานี่ไปสอบสอบท่านท่านขอให้ไปสอบว่าผมอธิษฐานอิจตัวจะไม่ค้างคืนที่อื่นขอให้ท่านมาสอบผมที่ตรงนี้ท่านอยู่ในโบสถปฏิบัตทิทุกวันทุกวันเอ้าหลวงพ่อท่านกราบอาตมานะอายุวัฒนสามารถขอกร า, าบมาให้กราบพอไม่ฟังเอ้าต่างคนต่งกราบกันหลวงพ่อ หลวงพ่อปฏิบัติมากี่ปีสี่สิบสามปีหลวงพ่อภาในสัมมาระหังหลวงพ่อได้ไปถึงไหนถึงธรรมกายพอแล้วธรรมกายก็คือโอภาสรัศมีดีหลวงพ่อผมขอถวายให้เดินสามสิบนั่งสามสิบพอไปสอบเป็นไงหลวงพ่อโอ้ยเห็นพระพุทธเจ้าเยอะจับมือถือแขนกันไหนพูดกันได้คุยกันได้ดีหลวงพ่อให้หลวงพ่อกำหนดเห็นหนานั่นสมถะจะยกขึ้นสวยแต่ต้องกำหนดเห็นเนอะ เห็นอ๊อบแปดหนหายสมาธิอ่อนพระนักปฏิบัติเขต้องทราบถ้าอะไรเกิดขึ้นกําหนดหายช้าๆสมาธิเราไม่พอนีหลวงพ่อวันนี้ผมถวายให้เดินสี่สิบนั่งสี่สิบพอเดินสี่ินั่งสิบสอบอีกเป็นไงหลวงพ่อไม่เห็นพระสงฆ์เยอะอยู่ไหนพระสงฆ์โน่นผมใส่ผ้ารัดอกไปดูในโรงฉันพระก็อยู่ที่โน่นนี่กรรมฐานรว่แต่เราไม่ต้องพูดเพรเยอะท่านจะไม่พอใจดีตีหลวงพ่อให้หลวงพ่อกําหนด น เ, นเห็นหนอเห็นหนอะหกขนหายดีขึ้นกว่าวานนี้เอาวันนี้เพิ่มเทวีอีกเดินห้าสิบนั่งห้าสิบสมาธิอ่อนต้องเพิ่มเดินโยกรมพอนั่งไปเห็นอะไรทีเ น, นีวันนี้เห็นเห็นธรรมกายธรรมกายก็คือโอภาสญาณที่หนึ่งนั้นแหละดีหลวงพ่อท่านนึกว่าอันนี้เป็นนิพพานไ ม, ơi, ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่พอกําหนดเห็นหนอเห็นหนอะพอเห็นเ น, หนาหขนที่สามมันขาดวบ ตอกใจเลิงพอ่อโอ้ยเราเนี่เป็นชิขาคนมาหลายสิปีแล้วไม่ถอะไรก็จะตายแล้วนี่ขึ้นยานที่สี่เนี่ยที่มันขาดรบลงไปนี่อุทยพย า, ยานรูปนามเกิดดับชัดห้าสิบเปเซนที่พิจารณาว่าโอ้เราเป็นชิขาคนมาหลายสิบปีแล้วอันนั้นกิจมหากุศนกินตายานอ่ตั้งแต่นั้นไม่พูดเลยหลวงพอ่อปฏิบัติได้จนกระทั่งเลยฟังเทศน์ลำบากยานพร้อมกันกับท่านเขาครูที่วัดนี้ ครพระครูจรัญเนี่ยพรงเทศพร้อมกันคราวนั้นส0งร้อยท่านหลวงพ่อวัดปักน้ําองค์หนึ่งสมเด็จพระราตนนิยมองค์หนึ่งกับคุนหลักรัฐมิตีองค์นึงแล้วก็ท่านพระครูนี่องค์นึงท่านพระครูสมุทรศรีเอ่อท่านพระครูท่านวิเวกนันทะดรวิเวกอยู่สอนอยู่นิวซิกโกหรือเดนเวอร์โน่นขณะนี้นั่นแหละที่จําได้นอกนั้นใครจำไม่ได้ทั้งหมด200กว่าท่าน อ่านี่เป็นลักษณะของยานที่สาม เ, าเรียกว่าโอภาสแรีว่ารัศมีบางท่านจะพบบางท่านไม่พบนะก็ไปเกิดปีติที่ไหนบางคนอะปีติทั้งห้าขุตกาปิติปีติเล็กเล็กเลยน้อยขันยุบยุบยๆบยุบก็มีคณิกาปิติปีติชั่วขณะคลายคล้ามดไกไรไรมันทานตามตัวก็มีบางทีน้ําตาล่วงออกมาก็มีบางทีโอกณิกาปริสันสันน้อยสันมากบางคนสันมากสันจน แทบจะเอาไม่อยู่บางคนอ่ะเท่าที่สอบมานี่บางคนก็สันพอรู้สึกพอกำหนดสันหนอสนอก็หายบางคนนี่เอาไม่อยู่สันมากมีผู้หญิงคนหนึ่งคือคุณนายสานิตสันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึง6กโมงเย็นอะ้วก็หลวงพ่อไม่ได้ไปแก้พอแขกคนมากุฏีเยอะสมัยนั้นเขาก็มาตามให้ปไปไห้ไ้กำหนดไปทีนี้โยมกหนดไม่หายไปตามแพทย์มาจากจุฬาอาจากศิริราช ห้าคนคนหนึ่งจับแขนสองแขนเนี่ยแล้วก็จับขาสองขาเช็คหัวใจว่าขาดอาหารจะเอาอาหารมาเหตยโยมทานโยมไม่เอากลัินจะขาดสติยังดีอยู่แต่ลืมกําหนดพอลองพ่อไปคนเต็มหมดวันนั้นมันพระเอาโยอมขอทางหน่อยเอายมจําอาจารย์ได้ไหมจําได้จะใครชื่อวังไงมองชื่อถูกโยมลืมกําหนดใช่ไหมกาหนดเดีย๋ยนี้บอกหยุดพอบอกหยุดมันหยุดทันทีเลยสัน แต่มือยังกำแน่นบ ก, กยีตไม่ถึงอึดใจมันก็หายนี่เขาเรียกโอกกันดิการปีติปีติชรูปมันเกิดทีนี้เมื่อใช้สติมันลืมมันลืมกําหนดมันกําหนดมันก็หายช้าถ้าอยากจะหายกําหนดสั่นหอสันหนอสันนอส่นหนอไม่เกินสิบนาทีถ้าหากให้ไวกว่านั้นรูน้หนอรู้หนอห้านาทีแต่จะให้หยุดเลยบอกหยุด อย่าไปหยุดหนอะมันไม่ไหยุดนั่นแหะเดีมันไม่กลัวนะักกิเลสอ่ะมันต้องดุมันด้วยยกเหมือนโกรธให้เขามันก็หยุดทุกทันทีนั่นแหละเออกิโลกิเลสก็เหมือนคนนั่นแหละเราพูดดีๆมันก็ไม่เคยเอาเมื่อกัน อ, อ่ทีนี้อาจารย์บางองค์ทีเนี้ยอาจารย์องค์หนึ่งไปสอนโยมประเรียนหกประโยคสอนทํามใจเพราะเกิดสันแล้วนึกว่าผีเข้าไปนี่มนุ์พระมาสวดไล่ผีเอออ า, อาจารย์องค์หนึ่งพอลูกศิษย์สันไปรด น, น, น้ํามนต์นะ่ พอมาหาหลวงพ่อแก้ปั๊เเดี๋ยวมันก็หายนั่นคือถ้าไม่ชํานาญจะเข้าใจอย่างนั้นอันนี้โอกกระิกาปีติแล้วบางคนตัวลอยนี่ลอยขึ้นลอยขึ้นมีคนหนึ่งเป็นขฆาตกรอยู่วัดนากรลางลอยขึ้นลอยขึ้นคืบหนึ่งเฮ้ยสงสัยว่าจริงหรือไม่จริงให้เมียมานั่งดูซิมันขึ้นศอกหนึ่งมันก็โลงอ่านั่นเขาเรียกอกอุเพงคาปีติตัวมันเบาเลยมันลอยขึ้นมาอะ แล้วก็อีกคนหนึ่งอยู่อยู่อุบลนั่งไปนุงน่งบอลลอยขึ้นไปถึงเขื่อแต่ลงไม่ได้ตรองลูกสาวบันไดมาพาดจึงลง ไ, ได้นะี่มันเป็นไปได้เหมือนกันไอ้ลอยอย่างนี้ลอยปีติแต่อีกองคหนึ่งมหานิพัฒลูกศิลป์หลวงพ่อรเรียนหกประโยคให้ไปเรียนมัดปักน้ำมาด้วยเสร็จแล้วพอนั้นก็ออกก่อนหลวงพ่อหลวงพ่อยังไม่ออกจะไม่ได้ประโยคเก้าเขาได้ประโยคหกลูกศิลป์เขาออกทีนี้ไปไปอยู่ทํามัวแดง นั่งมาเทอะไรมันก็ไม่เห็นอะไรไม่ได้มักไม่ได้ผลพุทธโทพุทธโธมันก็ไม่ได้ผลอะไรเออนึกถึงพุทธทาสที่เนี่ยมันมีขอหนึ่งรูลงไปอยู่นี่มันอยู่เหิวหิวทางโน้นลึกนะจะไปนั่งอยู่นี่จะเหาะไปหาเจ้าคุณพุทธทาสโนดทำมันไม่ได้พอเหาะหมันลงเหิวไม่จะเหาะขึ้นฟ้าจะแล้วเออโอ้เกือบตายวานั้นเห็นแต่หมาแดงก็ถ้าผมตายก็น่าคงเป็นหมาแน่วันนั้นหมาแดงยกคงเอาโซ่ล่าไปแน่ นี่อย่างนี้มันเหาะไม่เป็นมีเนนอานึ ง, นงอยู่ยุทธยาทีนี้เนนนี่นั่งนั่งได้สิบเก้าชั่วโมงวันหนึ่งอาจารย์พระครูจะพาไปหาหลวงพอ่อสมเด็จพุทธาจารย์เนนก็ดีใจตื่นทีสี่เดินโยกมมกลับไปกลับมาเพราะเกิดปีตินึกถึงโยมแม่พเพดียวไม่รู้เหาะไปตกประตูบ้านทึงเมอไหร่ห้ากิโลสถานีรถไฟนะนะไปถึงประตูบ้านพี่สาวตื่นตีห้าออกมาแล้วอา้าน้องมาอย่างไงเนี่ย นะเห็นมหมันไปได้โดยไม่รู้ตัวพบลงไปมันไปถึงแล้วอ่าเขาเรียกปีติอย่างนีง้สมัยพุทธเจ้ามีอาจารย์ทองคำในทราบมีผู้หญิงคนหนึง่งพ่อแม่ไปไหว้พระธาตุทางโน้นผู้หญิงคนนี้ไม่สบายอยู่บ้านพอเกิดปีติพบไปตกโน่นก่อนแล้วพ่อแม่ไปไปเห็นอยู่โน่นทีหลังแม่มันไปไหวอำนาจกิจของมนุษย์นี่นั่นปีติปีติชรูปบางคนก็บพบอย่างนี้ ขนลุกก็มีน้ําตาไหลก็มีสันก็มีตัวเบาก็มีแล้วบางทีมันสู้เหมือนกับ เ, เหมือนกับพิห ล, หลอกอกับขนลุกสู้เลยเนั่นก็มีนั่นพลนาปีติมันมีเท่านั้นบางคนพบอย่างหนึ่งบางคนไม่พบนะแสงสว่างบางคนมีปีติบางคนก็ไม่มีแต่บางทีน้ําลายออกนั่นก็ใช่นะน่นะน้าลายไหลขึ้นมาก็อยู่ในลักษณะปีตินี่เป็นยานที่สาม ยานี้พิสดารทีนี้บางคนปัดสติกิจเศรษฐกิกมันสงบนั่งไปคล้ายๆกิเลสไม่มีเลยมีฝรั่งคนหนึ่งมาทํากับหลวงพ่ออยู่หน้าห้องสมัยลบเชียงตรงอ่ะนะพ น, นั่งไปนั่งไปหลวงพ่อครับผมในกิเลสมันไม่ออกมาเลยตั้งแต่มานั่งกรรมฐานผมกลัวมันจะหมดผมยังรักสนุกอยู่นั้นเอ้ยคนเอ้ยมันมันไม่หมดง่ายหรอกมันหลายน้อยก็บุงอยู่นักไม่ต้องกลัว อนี่เนี่ยฝลังมันเข้าใจอย่างนั้นนึกว่ามันจะหมดเพราะมันไม่มีอย่างนั้นอันนี้ก็เรียกปัดสติพอถึงตรงนี้นะแก้คนให้ดีได้ถึงตรงนี้คนที่กินเหล้ามอสุราคนที่นี่แล้คุณพ่อแม่มาถึงติดจะนึกกระถึงบางอ้อแล้วโอ้ยเราเนี่ยประพฤติเลวเนอะจิตมันจะเกิดกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีเด็กก็จะต้องเป็นคนกตัญญูกตัญทีต่อพ่อต่อแม่คนติดติดเหล้ามอสุรามาถึงตรงนี้เลิกหาบาปหินบา มีคนหนึ่งร้อยตรงร โ, โทรวันชัยพอมาถึงตัวนี้จะเลิกเด็ดขาดแต่ก่อนแก้ไม่ได้แน่อันกงงนี้สำคัญมากเขาเรียกปัดสัจทิกิจกิจตงสิกสงบข้อต่อไปเมื่อถึงอันนี้บางทีเกิดศรัทธานะที่เนี่ยโอ้ยศรัทธาเลื่อมใสมากอยากจะออกบวชอยากจะให้สำนักมันจเจริญพบใครก็อยากจะพูดอยากจะคุยมันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้น กิจเกิดขึ้นศรัท ธ, ธาแก่กล้าโลภะก็ได้โอกาสเพราะฉะนั้นมันต้องตร อ, องแก้ตัวนี้อีกเหมือนกันศรัท ธ, ธานี้ดีแต่ขั้นปฏิบัติมันเป็นอุปกิเลสเพราะอะไรพอจิตคิดพับโลภะก็เลยอกาสอยากทร้างอันนั้นอยากสร้างอันนี้อยากให้นักเจริญมันก็ทิ้งปัจจุบันเชะตามปกติเป็นของดีอย่างนี้ก็มีบางทีบวชเป็นพระเป็นอินอยากออกกูกยุปา ถ้าเป็นโยงก็อยากจะออกบวชถ้าเป็หญิงก็กระบวตเป็นชีจะกระโย่ปฏิบัติต่อไปอันนี้เขาเรียกศรัทธาแต่นี่บางคนมีความเพียรกล้าโอ้ยเดินยงกลงไม่หลับไม่นอนก็เอาให้ได้มีพระองค์หนึ่งชื่อพระโทษหลวงพ่อปฏิบัติไปได้สี่เดือนแกก็มาเข้าทีหลังจะเดินทั้งวันทั้งคืนเลยโดนเดินมากมันก็ได้แต่นั่นนะจิตมันไม่อยู่นะมันไม่ได้องค์สามนะพอถึงตีสี่เท่านั้นแหละ เอาหมอนมาตีกระดันตึงตัง้ยนี่พระโอริเป็นอะไรเนี่ยอ้าวปรเดี๋ยวเอาหมอนถวายไวย้ผมดีใจท่านปฏิบัติเอ้ยกต่อไปต่อเป็นบอสารอาไม่โทรเออมาจันรังเอาโซ่ขู่ขาเออนี่นี่มันเป็นไปได้นะเพราะว่าเกินกําหนดไม่ได้ผลมาม่วงยังไม่ทันหน้าที่จะแก่ไปบ่มมันซะก่อนไม่ได้เขาเล่งไม่ได้อ้นี้ต่อมาอันนี้เรียกว่าปักคาหะเป้าความเพียรมันเกินก็ไม่ได้ ทีนี้บางทีสติเกินอุปัฏฐานะสติมันเกินพอนั่งไปนั่งไปเห็นแล้วเห็นนิมิตรคุณหมอคนหนึ่งนั่งไปพอนั่งไปเอ้ยหมอสองคนมาทำกับหลวงพ่อทีนี้คนนี้มาทำไปห้อยท่านอาจารย์ครับสงสารหมอคนนั้นจังลูกสี่คนมันโกนหัวจะบวดแล้วอยู่ที่ไหนอยู่นี่ประตูวัดไปดูซิเปล่าไม่มีอ่ะเฮ้กิจมันสร้างขึ้นเขาเรียกว่า สติมันเกินไปนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆเหมือนกับระลึกชาติได้เหมือนกับมองเห็นอดีตอนาคตหมดออันนี้เรียกว่าสติมันเกินเขาเรียกอุปัฏฐานะพอเป็นอุปจิเลสข้อต่อไปยานคือความรู้ที่เนี่ยคนที่ได้เรียนปริยัติมามากโดยมากชอบสอนยากเวลานั่งพับไปคิดแจ้าพองเป็นรูปยุบเป็นรูปรูปเป็นนามโอ้ยพระพุทธเจ้าเทศสอนมุขนาดจริงเลยกันเนา ขุนใหญโตโลกังโมฆราชาตุกคอนโกรกระดเอ๋ยเธอจงพิจารณาเห็นรูปเห็นนามโดยความเป็นสัตว์แต่ว่ารูปของนามไม่ใช่สัตว์ปกคนโตจนเราเขามันจริงเนาวิจารณนี่คนที่เรียนมามากพอพับไปมันไปวิจารณแล้วท่านนึกว่าเทศกวาจะเทศเก่งอ น, นิจจังทุกขังตา เ, าาเข้าใจดีธรรมะเข้าใจมันเลยเป็นกินตาหยาดมันยังช้าแต่กังเป็นของดีแต่เข้ามาถึงยานนี้ไม่เอาแล้ว มันเป็นมีปัดสนึกไปนึกเอาเองดีโยแต่ยังไม่เอาคะแนนเต็มร้อยมันได้สิบห้าคะแนนอ่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเยาเป็นอุปกิเลสที่จริงมันเป็นของดีแต่ขั้นถึงตรงนี้ไม่เอาแล้วเอจิตผู้ที่เรียนมาโดยมากผู้ที่เรียนอภิธรรมเนี่ยสอนยากยากเรียนมาแล้วอโดยมากผู้ที่เรียนนักธรรมก็สอนยากเรียนมาแล้วอันวิธีการสอนเนี่ยสอนผู้หญิง สมมติในจำนวนสี่สี่พันผู้หญิงสี่พันภิกษุ4ี่พันโยมสี่พันพระนี่สี่พันี่จะได้ห้าร้อยองค์แล้วค้าวาดนี่จะได้แปดร้อยในจำนวนสี่พันเท่ากันผู้หญิงนี่ได้เกือบทั้งหมดเพราะอะไรเพราะพวกนี้ไม่ได้เรียนมามากอาจารย์บอกอะไรก็เชื่อเชื่อมันก็ได้ผลไหวสิทีนี้ผู้ที่รู้มากไม่ได้คิดดูพระสารีบุตรกับพระมุคลาสิพระสารีบุตรที่มีปัญญามาก ตั้งสิบห้าวันพระมุคลาเกตวันจริงอาจารย์หลวงพ่อบอกคุณมหาถ้าจะให้อาจารย์เก็บเงินจากผู้ปฏิบัตินะคนไหนรู้มากอาจารย์เก็บสิบสองบาทคนไหนรู้น้อยเก็บหกบาทอ้าวอาจารย์ทําไมเป็นนั้นไม่ได้หรอกคุณมหาคนรู้มากมันสู้ครูทานั้นเอ้เราเคยสงสัยนึกว่าท่านด่าเราลงไรเราเก้าประโยคแล้วก็ฟังไป ฟ, ฟังไปเพราะมาเป็นครูจริงอย่างหลวงพ่อว่า พูด ท, ที่พีคงรู้มากสอนยากยาเราต้องฉลาดต้องแก้ต้องไขต้องอะไรหมดเพราะชอบเอาปริยัติมาประเดียเอาปริยัติออกมามันอดไม่ได้เพราะเขารู้เดยมันต้องเอามาอ่าอย่างอาจารย์บุญมีไ ม, ม่ทางคูณอย่างเนี้ยไปไม่ได้อ่ะเอออาจารย์เรต้พระสอบประเดีเอาอภิธรรมมาเอาพิธรรมม า, า, ม, ม, ามาอยู่แค่ยนันติสามมาอยู่แค่นี้แหละวนอยู่แค่สัมมาสัญญาณเนี่ยมันขึ้นไปไม่ได้เขาอดไม่ได้แต่เลยได้แค่นั้นน่ะมันไปไม่ได้นี่ เลาวนั้นอันนี้เรียกว่ายานคือปัญญามันวิภาควิจารยา น, นี้ต่อไปก็เป็นอุเบขาบางทีนั่งไปมันเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจอะไรคล้ายๆกับกิเลสมันไม่มีนึกว่าเรานี่ยสำเร็จแล้วกับมั้งนี่อุเบขาพราะฉจนั้นจึงเป็นอุ ป, ปกิเลสพระริเจาเราวิปัสโนปปกิเลสมีสิบข้อนอกจากนั้นนิกันติที่เนี่ยคือความไข่ อยากจะเห็นเพื่อนเขาเล่านั่งไปเห็นเทวรดาเออเราไม่เห็นเนี่ยเราไม่ถูกกระมังเนี่ยจิตมันก็คิดเวลาสอบอารมณ์เห็นเพื่อนเขาเล่าไปเห็นอันนั้นไปที่นี่ตัวไม่เห็นนึกว่าตัวไม่ถูกเอ่นี่เขาเรียกกันนิกรตีความใครอยากจะเห็นเทวดาอยากจะเห็นนิมิตอยาจะเห็นแสงสว่างอยากจะเห็นอย่างที่เขาเห็นกันบ้างเราไม่เห็นอันนี้เป็นอุปกิเรสนอกจากนี้มีนิมิตที่เน่ะนิมิตต่างต่างนั่งไปไปเห็นภาพ เทวรดาไปเห็นภาพไปเห็นเลขลอตเตอรี่ไปเห็นผีหัวขาดเออเออบางทีมันมีจริงๆริงมีโยมคนหนึ่งหัวตายหัวเป็นมหาจิตประโยคไปซื้อพิเรียนลถควาตายพอนั่งกรรมฐานเห็นเลขท้ายสองตัวไปหาหลวงพ่อลาไปทำไมโยมไปซื้อลอตเตอรี่ทํำไมไปซื้อนั่งไปเห็นเลขท้ายสองตัว เ, ออเราบอกไม่แน่ใจว่าเขาจริงจริงหรือไม่จริงเอาไปลองดูสิ ไปซื้อมาวันหลังนี่มนสวดมนทั้นเพนเพราะอะไรถูกลอตเตอรี่เลขท้ายแม่กับลูกไะมันก็จริงอยู่เหมือนกันแต่ถ้านึกอยากถูกไม่ถูกนะเนื้ออยากได้โลภะมันเกิดไม่เกิดมันมาเองก็มีแต่ว่าไม่ใช่มาสอนให้โยมไปนั่งดูเลขลอตเตอรี่นะอะอย่าไปทํานั่นไม่ได้มันเกิดขึ้นมาเองว่าไม่มีอยู่บางรายนี่เนายญาณ น, น, นิมิตแต่มองคนนั่งไปเห็นเทวดาโอ้มีโยมคนหนึ่งอยู่บ้านจะเลิศสีอะ วันนั้นจเจริญศีเขาไม่สบายหลวงพ่อไปสอบอารมณ์แทนเป็นจีนนางไปเวลาโยมไปเห็นเทวดากำหนดไหมกำหนดเห็นหนอไม่กำหนดทำไมไม่กำหนดจะดูเทวดาดูทำไมเทวดาไม่ใส่เสื้อจะดูอะไรดูนมเทวดาแม่เิ้นด้า ย, ยังหายไปเสแล้ ว, วนั่นแน่นอย่างนี้ก็มีอันนี้นิมิตมันไม่ใช่ของสูงแต่ตัวเข้าใจผิด คงไปนึกเห็นเทว ด, ดาตามไอ้เมนเพลโซปะโอคงมา น, นึกภาพเขามันก็เป็นอย่างนั้นแหละนี่เขาเรียกวิปัสสนึกญ า, านี้ไม่ใช่สูงกินตญานคนจะหลงทางอยู่ตรงนี้ยา น, นี้นี่ระหว่างยานที่สามเข้าเขตญนานที่สี่ที่เรียกว่ามัคคามัคะเนี่ยนะนี่มัคคามัคพญาณทัศนิสุทธิในระหว่างนี้นี่วิสุทธิข้อที่ห้ามัคคะไปว่าทางถูกอมกาค์ไปว่าทางผิดเมื่อถึงตรงนี้ถ้าคนเข้าใจ เห็นอย่างเมื่อกี้นี่นะเห็นเทวดาต้องกําหนดเห็นเนอะเห็น น, อ น, นอนเออว่ามัคทะรู้จักทางถ้าคนเห็นแล้วอยากจะดูเทวดานั้นอฆมัคเป็ว่าหลงทางเพราะฉะนั้นสัพทนิชายมัคทะมะัคทะตัดบทเป็นมัคทะเปลว่าทางถูกอฆมัคเปลว่าทางผิดนี่อยู่ในวางตรงนี้นี่ทําให้คนเข้าใจผิดตรงนี้อย่างนี้วางสมถะกับจะเข้าวิปัสสนาคนเข้าใจผิดมากประเทศไทยนี่เยอะอลองดูเถอะ แต่ตัวเจริญสมระ h a เนึกว่าเป็นวิปัสนามหาเถระตำรวจปีกลายหรือปีก่อนนั้นทาหมดสำนักในประเทศไทยห้าร้อยสิบห้าสำนักแล้วคารวะาสอนสิบหกสำนักเมื่อจบแล้วหลวงพ่อมีโอกาสเข้าไปศึกษาด้วยเขาตั้งเป็นกรรมการด้วยเป็นสมระส่วนมากวิปัสนามีน้อยเหลือเกิน แต่ว่าก็เข้าใจว่าเป็นวิปัสนาทางนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากมันต่างกันอยู่ถ้าเราศึกษานี่เป็นเขตสมถะสมถะมีอารมณ์สี่สิบกสินสิบอสุภะสิบอนุสติ10ิบพุมาหันสอรูปกราารมานสี่อรูปกรรมฐานสี่อาหาเรปะกูสัญญาจะตูวตวตัวฐานส0บอย่างสี่สิบอย่างอย่างใดอหนึ่งเป็นสมถะไม่ใช่วิปัสนาแต่ว่าดีต้องการให้ได้ฌาน แล้วฌานเป็นบาตรต่อวิปัสนาแต่กรรมฐานบทไหนจะได้ฌานไม่ได้ฌานก็ต้องทราบกรรมฐานที่ไม่ถึงฌานมีสิบพุทโธธรรมโมสังโฆศีลาจาาักาเทวตานุสติวรรณานุสติอาหารปรปฤกูลสัญญาจตุธาวัฏฐานสิบอย่างนี้ไปถึงฌานแต่คนส่วนมากชอบพุทโธชอบพุทโธมากแต่ถ้าเอาจริงๆพุทโธไม่ถึงฌานแต่ดีไม่ใช่ไม่ดี แต่เกีตนาต้องเปลี่ยนถ้าสมมุติจะเอาพุทโธกองเอาพุทโธเมื่อได้สมาธิดีพับขออธิษฐานให้พระพุทธนิโรงน้ําหายพับเพ่งอาโปกสินจริงจะได้ฌานและจึงจะต่อวิปัสสนาได้แต่โดยมากไม่ค่อยชํานาญหรอกเล่นอยู่อย่างนั้นเนี่ยเคยไปสอนที่อเมริกาด้วยกันพระที่เล่นพุทโธก็มีหลายองค์ถามว่าท่านสอนโยมพาวนาอะไรพุทโธครับมันจะไปถึงไหนไม่ทราบ ครูบาอาจารย์นั่นสอนมากกว่าตามกันไป อ, อีกองคหนึ่งไปอยู่ในถ้ำยี่สิบเจดพรรษาแบกกดจากถ้ำนี้ไปทางโน้นหลวงพ่อเขาไปทุ่งตรงปักใต้ทาพระหอทำใ ย, ายถามท่านท่านบวชเมื่อกี้พรรษายีเจ็พรรษาแล้วภาวนาไปยังไงไม่ในเรื่องท่านั้นเลยไปสอนให้อยู่ในถ้ำสององค์อ ง, 18, อง 1, 27, หนึ่งแปดพรรษาองหนึ่งยีบเจ็ดพรรษาสงสารท่าน อยากจะได้ดีอยู่แต่ว่าไม่ไม่รู้จะขนทางเลยท่านก็นติดส่อให้ตามไปเรื่อยจนในฟังเทศลำแบบายานในถ้อาอ้าวอันนี้ยานที่สามจบแล้วนะเอาเท่านี้นะนิมิตรต่างๆบา ง, งคนนั่งไปเห็นเทว ด, ดานัน่งมาห็นป่านั่งเห็นพวกเขาแม่น้ำอย่านึกว่าดีนะมันผิดนะเอานั้นไม่เอาแล้วต้องกําหนดเห็นเนาะให้หายถ้าหายช้าแสดงว่าสติสมาธิอ่อนลุกขันธนิยมไม่ลืมตาถีามันก็าหายหายแล้วท่านนั่งต่อไปอีก มันยังมาอีกแสดงว่าสมาธิเราอ่อนผู้ปฏิบัติต้องทราบลุกคันเดินก็ไม้เดินองคน้อยไปเทสต่อปียันสี่นี่เข้าเขตวิปัสสนาอันนี้มายากทานนี้เกิดแล้วมายากมันมาสำคัญอยู่ยานที่หนึ่งนี่เป็นเขตสมถะเป็นจินตามายะปัญญาจเจริญพุทโธเจริญสรมมาหังจเจอแล้วก็ผ่านได้อันเนี้ยมันเป็นหนทางผ่านจเจริญวิปัสสนาพองน้อมนอก็ผ่านได้ต้องพบ เอากะลมเหล่านี้มากห น, น้อยตามขั้นตามสัตว์ตามส่วนทานที่เซอธัยยพยานต้องเจริญวิปัสนาต้องเอาขันท่าไปลงอันนี้เอาบัญญัติไปนารมม์นีเมื่อเจริญวิปัสนาถูกต้องแล้วเช่นกำหนดขันท่าขันท่าหมดทั้งตัวนะตั้งแต่ผมถึงเล็บอันนี้เรียกว่าขันท่าหนึ่งร่างกายทั้งหมดนี่เป็นรูปประขันสองโยมนั่งอยู่นี้รู้สึกอย่างไรถ้าใครรู้สึกสบายก็เป็นเวทนาขัน ถักให้ร้อนก็เป็นทุกเวนนาเวทนาขันถักให้เฉยก็เวท น, นาขันจำได้ก็เป็นสัญญาขันแต่งเห็นนั่งอยู่ตรงนี้ดีเลไม่ดีสังขารผู้ที่รู้วิญญาณครบ 5, ห้าย่อเหลือสามรูปคงไว้เวทนาสัญญาสังขารสาม น, 3, นี้เป็นนามแต่เป็นจิตตสิกไม่ใช่จิตวิญญาณเป็นนามแต่เป็นจิตย่อสามให้เห 2, ลือสองรูปคงไว้นามจิตสิกกับนามจิตย่อเขากันเป็นหนึ่ง เป็นนั้นว่าเหลือสองรูป ก, ก็นามขยายเป็นสามขยายเป็นห้าขยายเป็นร้อยหกสิบนี่คือทุกขสัจจะพระริเจ้าสอนให้กําหนดรู้เพราะฉะนั้นละไม่ได้ตีไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้เวลาปฏิบัตินิสินโนวาจะกําหนดหมดทั้งตัวก็ได้ลองดูก็ได้เวลาท่านอยู่ว่างๆนั่งเนอะนั่งเนานั่งเนอเอาใจที่ร่างกายเวลามันดับหน้ากลัวถ้ากําหนดเจ้าเนี่ยขาดมด ตกใจเลยเด็กนี่ร้องให้เลยนั่นแหละสันติขาดสันติยาวิกกปิตายะเมื่อเพิกสันติเสียได้อันนี้จังทุกขังตาก็ปรากฏเพิกคือกําหนดมันต่อกันอยู่ระหายใจเข้ามันก็สืบต่อกันอยู่เหมือนเล็บมือเนี่ยตัดวันนี้เจวันชิเล็บออกมาแล้วผมนี่หลวงพ่อโกนแล้วยังไม่ถึงเดือนมันยาวออกมาแล้วนี่ก็เรียกสันติของรูปแต่นี่นามันยิ่ห้อนี้หลายหมื่นหลายแสนเท่าเออฟังดูแล้วเนี่ยนี่มันเกิดดับสิเจขนาด เรายัางไม่รู้มันดับสิบเกิจขนาดน้มนะรูปดับไปหนึ่งขนาดเพราะฉะนั้นมันละเอียดเราออกมากอยู่ยานที่สี่อุทยับพยานเห็นความเกิดขึ้นอุทยะเกิดขึ้นวยะดับไปปัญญาพิจารณาเห็นรูปน้มเกิดขึ้นแล้วดับไปเรียกว่าอุทยับพยานได้จยานที่สเวลาปฏิบัติพองหนอยุกหนอนี่พองยุบมันจะเบาลงบาลงขาดรับ อันนี้เป็นอนัตตาคนนี้แรงด้วยปัญญาเคยเจริญสนใจวิปัสนามาเห็นอนัตตาฮองยุเบาลงลงบอลนี่ลักษณะของอนัตตาอานิจจังก็อยู่ที่นั้นทุกขังก็อยู่ที่นั้นนะอาการที่พองยุบบอลล ง, บ, งลบอนี่เขาเรียกว่าอนัตตาแล้วอาการที่พองยุบมันหมดไปสิ้นไปเขาเรียกว่อานิจจังอาการที่พองยุบคนไม่ไเขาเรียกทุกขงังเห็นอันหนึ่งก็เห็นหมดพระุทธเจ้าสอนนางปตยาจลา รุ่ก่อนปัญญจลาเอ๋ยผู้ใดเห็นอันนี้จังทุกขังหน้าตาก็เห็นแล้วแต่ก่อนอี้มันจะเห็นได้อย่างไรเราสงสัยมากอยู่อ่าคือเราเข้าใจไม่ถูกเนี่ยฟังให้ดีเนี่ยนี่ทุกคนได้ยินเสียงคันนี้มีไหมไม่มีไปไหนดับแล้วคันห้าเกิดหรือย่างเนี่ยเกิดแล้วหนึ่งเสียงสองหูโยมเป็นรูปขันเมื่อโยมได้ยินแล้วรู้สึกเฉยหากใครอยู่ใกล้หนวหูนี่นี่ นี่เวทนาขันจำได้ไปยินเสียงแฝกนั่นสัญญาแต่เงเห็นเสียงนี้เพราะหรือไม่เพาะนั่นสังขารผูดไปยินนี่วิญญาณไม่ใช่จิตไม่ใช่ไม่ใช่หูครบห้าพอดีย่อ ก, ก็เหลือเสียงก็หูเป็นรูปไปยินเปน็นนามมีไหมเดียเ๋ยวนี้ไม่มีถ้าใครว่ามีเดานั้นไปไหนดับแล้วนี่แหละอนิจจังไม่เที่ยงซีสิ้นไปแล้วคกขังทนอยู่ไม่นานทุกไม่ใช่เก็บนะไม่ใชเจ็บปวดนะทุกมีสี่ หนึ่งทุกขเวทนาทุกเก็บทุกปวดไม่ต้องสอนหลวงพ่ อ, อไม่เลียวตีโยมสิร้องเลยแหละเพราะอะไรมันเจ็บสอนด้วยหรือยอย่างเนี้ยเปล่าไม่ต้องสอนเออนี่เขาเรียกทุกขเวทนาสองทุกขสภาวะหิวข้าวหิวน้ำปวดชี้ปวดเยี่ยวหลวงพ่อนั่งอยู่ธรรมตสมมติจินยาถ่ายฉันยาถ่ายไปแล้วโอ้มันจะลาดธรรมะจะต้องลงอยู่ไม่ได้นี่เขาเรียกทุก ข, ก ข, ก ข, ขมีหล ว, ว, วงพอ่อองค์หนึ่ง ท่านไปฉันอาหารบางกล้วยทีนี้ฉันแล้วอาหารมันแสลงท้องท่านเดินเออท่านจะถ่ายมาเรือกูจะถึงวัดมาาัทธาธ่าไปจันแล้วค่อยใกล้ลโงพยาวานศิริราชนั่นแหละมองหาทางโน้นก็ไม่มีซ่วมอยู่ในเรือก็ไม่มีจะหยุดคนก็เต็มเรืออยู่ก็ลปล่อยให้มันไหลออกมาเต็มผ้าเลยเสร็จแล้ว น, นั่งเฉยพอมาถึงท่าวัดมาาัทธาต่าที่ต่างตกน้ำก็โดดทุม่มลงไปล้างเสร็จค่อยขึ้นกุฏิเนี่ย ดูมันสุกหรือทุกข์รองอยู่ทีถ้าไม่ทุกข์ขอคงไม่เป็นนั่นอย่างนี้ต้องสอนได้เหรอท่านจะคุ้นปวดอุดจจา ะ, ะมันทุกข์เรไม่ต้องสอนนี่เขาเรียกทุกขกสภาวะทุกขคลักษณะนักโทษเอาศอบผูกเอาเอาโซ่ผูกขามันจนกระทั้งเป็นแผลมันไม่นานนี่หลวงพ่อไปสอนทันสถานหญิงแล้วก็ไปสอนอนักโทษทั้งชายทั้งนั่นด้วยนั่นแหละเขาเอาโซ่ผูกขาผู้ที่โทษหนักๆอ่ะ อนน่เราไม่ต้องถามก็รู้มันสุขหรือทุกข์อย่างนี้เขาเรียกทุกขลักษณะส่วนทุกขารยศั์นี่เลยละเอียดมากได้แก่ขันห้าเกิดขึ้นตัง้งอยู่ดับไปพระุทธเจ้าจึงพอพระไทยว่า เ, เราจะสอนดีหรือไม่ดีเนอะเท้าสาววมวดีพรมจรึงมาอารัฐธนาพระองค์จึงรับสอนเพราะมันยากทำไมมีคนสอนไม่เข้าใจนะดูภาษาลิบุตรปัญญาเก่งที่สุดเลย แต่ต้องฟังเทศพระอัศกิจึงจะได้สำเร็จนะฟังเทศพระริเจ้าจึงได้เป็นพระอรหันนะเพราะจะนันถึงปัญญามากถ้าไม่มีครูอาจารย์ก็ยากเอาจบไปแล้วนี่ยานที่สี่ปุทยพยานมีสามลักษณะหนึ่งถ้าท่านกำหนดนิมิตต่างๆแสงสว่างหรือรูปพระพุทธ ร, รูปอะไรต่างๆกำหนดเห็นหนะเห็หน้นาะสามโหนขาดพบใช้ได้อา่า ถ้ากำหนดพองยุบจะมี3ามลักษณะหนึ่งพองยุบมันจะเบาลงบาลงนี้อนัตตาชัดแต่คนนี้แรงด้วยปัญญาขาดรับลงไปถ้าไม่ขาดยังไม่ถึงยานสี่อยู่ยานสาข้อที่สองพองยุบมันจะรู้สึกไวทีเข้ า, ท, ขาทีเข้านี้อนิจจังคนนี้เคยแรงด้วยทานเลสีนขาดรับลงไปทุกขังอนัตตาก็อยู่ที่นั้นข้อที่สมบางคนกําหนดพองยุบจะรู้สึกแน่นเหมือนใจะจะขาดขาดพดลงไปคนนี้แรงด้วยสมถะ เคยเล่นสมถะมาจะพบสามยานยานนี้สําคัญมากถ้าถึงยานนี้จะมีหวังได้มรรคผลนิพพานต่อไปยานที่หกยานที่ห้าพังพยานเห็นเฉพาะความดับไปเขาดูามฝ่ายเดียวเช่นพองเน้อยุบหนอสุดพองมันชัดสุดยุบมันชัดโดยมากเบายานนี้ตัวเบามือซ้อนกันนี้คล้า ย, ายมือหายไม่รู้สึกเลยนั่งอยู่ตรงนี้จะไม่รู้สึกว่านั่งอยู่ที่นี้อยู่ที่ไหนไม่สนนั่นคือลักษณะของยานที่ห้า เกิดก็ไม่นานแวบ็บเดียวมันก็นไปแล้วทำไมสังเกตละเอียดแทบจะไม่รู้สึกเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นครูเนี่ยต้องให้สอนคนแก่ๆสขอนหนุ่มๆไม่ได้เออมันมันกำลังดีไวไปไวแป๊บเดียวไปแล้วนะไม่ไถนานนะมีสมัยก่อนพระสงสัยสงสัยถามพระพุทเจ้าคอยฟังต่อไปอันนี้เอาเทนิกร